พณะที่จะตายจิตใจไม่เสือยใช่ไหมไม่สื่อยอ่ะอ่านกเก่อนหน้าที่ราจะตายจริงๆการที่มันไม่เสื่อมันต้องเป็นแบบนี้นะทุกวาระที่เรามีชีวิตอยู่ขณะที่ํำลังใจเรามีอยู่กาลังใจเราก็ต้องยึดมั่นในพุทธทานเป็นปกติคนนะใช่เวลาเนี้ยนะเวลานี้จิตใจเรายึดมันพุทานป อันนี้เวลาที่หนึ่ป่วยขึ้นมาแล้วก็ต้องตัดทินใจเสมอไอ้นเสียงที่ว่าทีเนี่จะโตได้เราทางเราไม่สนใจมันแต้ว่อการร่างกายถ้าตัดทินใจแค่นี้ก็เป็นไข้ว่าขึงนเวลากายจแบบนี้ไม่ต้องการมันอีกเท่านี้ก็ถึงไข้แล้วอันนี้ดูต่อไปภาพนั่งขอองค์พระเดชพระสัมมาสัมพทเจ้าดูภาพนานนานกแล้วว่าในชั้นเราที่ป่วยนั้น มีกประมาณสักเจ็ดวันหรือสิบห้าวันจะถึงวันที่ในยจะต้องตายถ้าเราีหวงบากติภัณฑ์เวลานั้นเขาออก์พระเนรพุยิธรรมเขาเห็นภาพการความเป็นจัิงประชานที่ควยหลักใกล้จะถึงวันตายส5บห้าวันหรือเจ็วันและเห็นคนดายเห็นคนมเห็นพระหรรมวิภัณฑ์มาลอยได้จาัดสร้างความเพื่อนใจในนี้มีะภาพ ภาเวลานั่นตัพกายเราใจเราเห็นท่านมันรอยอยู่เราออกไปคืแล้วท่านก็นอนดูท่านนอนจันอนแล้จะทำทำมันลอยขึนไ่ไหมใช่ออกไปดูทะเลไหมจางออกได้จังหลายปาร์ตท่านมาลอยเราเห็นมันก็เลยความชุ่มชนใช่ไหยใช่เวลานั่นจิที่หัวมันกายมันมีภาพมันสวยว่าะเราเลยจิตจะท่านิท่ก็ปิบัต อาลสมมะโกะตันนี้เราคิดถามแล้วแหละดูตามแบบเชยเราโมงมั่นอย่างนี้เป็นปกติเวลานี้คิดว่าอะไรมาทั้งหมดตัดถึงขึ้นใบมีเป็นคนมีภานะเปคนมีศักดิ์สิทธนหนึ่งเขาโกงถึงเป็นนักกฎหมายเวลาทีุกสาหกรแล้วอาิษะารกฎหมายเพื่นาย่วามกัน แล้วว่าตักเป็นโลภะตรงนี้เวันได้ตัดมาแล้วที่จิตมันได้แอ่คือถามโอท่านจะประจาใจถามดูท่ภาวะใกล้ตายยังไงกสภาพาเป็ น, นยังไงอย่ตายแบบนอนออ น, อ น, นิ่งท้องอืดท้งรนเลือดเลือดกรที่นลงท้องอนเจ็บแก่ครัเป็นเจ็บไม่ต้องหวแก่เป็นยังไรมือรานนะก็เป็นสภาพสภาพธรรมดา เราฐานรมดาเราโทนเราเจ็บเจ็บแรงแรงมันน้อยเช่ไมเป็นสภาพธรรมดาไทุกขเวทนาการปวดเจ็บมันมีมากมัมีน้อยอะไกันมีน้อยสุี่ยคอว่าราสบดีอับอาบน้อยที่่สำคัญแล้วนี่ก่อนก่อนเที่ยที่ลายในช่วงนั้นเอมักผ้าเนี่ยนะตักผ้าผลผ้า าานาคามีได้ก่อนตายสักสี่ร้อย ส, ส, ส, สี่สิบปีก็จะตายทางด้วยนะานาคามีได้ขอตยสี่้อยสี่สิบเนี่ยถ้าได้นาคามีก่อนตายก็มีบันตายเวลานี้ทุกคข้อด่าทั้งหมดยใ้ได้แต่โดาบัญญารุแล้วเพราะว่ารุ่นพัยแล้วพูดจะเป็นปกติอย่างเลย การสุมโมวุธิดินไปถึงนิพพานอย่างอันนี้สำคัญมากกับนิพพานถ้าได้ถึงได้ขอดาบันแล้วมันถอยหลังไม่ลงใช่ในเมื่อถอยหลังไม่ลงมันเดินหน้าอย่างเแล้วมันมจะไยุดที่ไหนก็ไปหยุดนิพพานถ้าทุกวันเราขึ้นไปถึงนานก็ไปเืนเลย่อยนิพพานกามีาไปไล้ตรางนนีะ้ทุกวันให้ไปเลื่อนเรอยทั้งสายนิพพานปกตินะวันหนึง่งให้เวลาสองนีห้าสไม่รู้เร า, าว่างๆแล้วค น, คนคเดไปทุกท อากา ร, ารามันเ ห, หะสะสะสะนืนมากคนบุญเสกสอนการคือไม่ต้องเปหลักหัคตาจะคนมีคนเห็นทำใจส บ, สบายๆารลืมตาทาตาห ม, มหมดเลยอันจิตคนนี้ขาด <c oughs> ให้ไม่กิน ด, <c oughs> ด้วยก่อนหลับนอนลงไปแล้วไม่ต้องหน้าหน้าหอมบ้าบบวมๆ <c oughs> นอนแล้วได้จิตส่งพุิธานักเหลียวจับจับ <c oughs> ตืนมาเลยใหม่พอใจคือกลังสบายส่งจิตพุทธั่นกตัวนเดียวเล้วคั้นี้ อานอย่างนี้ทุกวันตายมาหลายพันปีแล้อันนี้แปลีต่างต่างแปลายแพทย์ธรรมพตอนนี้แต่นีะถามนายรพัย์ธมพิยานี่หน like ึ่งชุวนาประชาชนสนใจมากเวลานี้ประเทศไทยอยู่ใกล้สราวิสงทธการตามทีมีนถามเพือเ่ลยว่าใกล้ประาวิสงทธาถามว่าสงครามเรากับจนนเลยทุกดาไม่จะเกิดประเทศไทย นัน อ, อง่ยสงครามระหว่างยวนสเสม็ลาวสามเศร้าเชเขาคิดประยตีไทยเนี่ยอน า, นาคตสนยตีแล้วไม่ป ย, ยตีครับประยตีนะเขาไม่ถอนกำลังความตั้งใจใช่ไหม <c oughs> ถ้าการมีศูกร้ <c oughs> มเขเื่อนนเอร์สีแล้วก็แม่ถอนแม่ปวดแห ม, ม่ยากเสมอ ว่าถ้าเห็นว่าข้าติดตีประเทศไทยกันวันนี้ข้าจะสามารถจะยึดพื้นที่ของประเทศไทยไปครอบครองได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยอันเชิญเรื่อยเขาไม่สามารถจะยึดพื้นที่ได้เลยเเราจะตีพื้นที่เข้าไปได้เหรอเปล่ตีได้ใช่ไหมได้แต่เกณฑใจแพ้เนาะคุณไม่อย่งให้เราที่คุณดู ใ, ใจตายกันด้ยหนนะอันนี้ให้เพาว่าถ้ารักว่าชาติใหญ่ๆได้ขวางเราก็จะต้องยิดพื้นที่ได้แน่นอนไอเรื่อก็เป็นพยัญชนการข้นยงเนื่องลายคำเมนเป็นพยัญรนะไอลายคำเม่นนี่ยมันตามเพราะว่าว่าตามทุกีแต่ว่าสันดานเหลานี้ก็เป็นสันดา น, น, นดาไม่ดีเท่าเปล่นี่เอทราบว่าที่ที่รู้ไน้จริงพระพุทธเจ้ากำบอกว่า เราจะได้เสียพื้นที่แต่เวลาที่รบ ก, กันรบกันต้องไปขอทวารดาเออพยะถามนะถ้าเรืจุดเรื่องใหญ่ๆเช่ว่าถ้าเรื่องขังขาติในไปใหญ่กว่าไฟเสียงจะเดือดร้อย ต, ต่อไปในอนาคตใ น, น, นตอนาคตพยันในเวลานีไประเทศไทยชิยนทาวะแห่งแรงเรียกว่าทุกข์กับภัย มีความยากลำบากเป็ความเป็นอยู่น้ามันก็มาต่บมีไถ่ข้าวตรงนี้ะไว้จำตาลนึกว่าไหนมีของก็แพงขึ้นใหญ่แต่ถ้าคนที่ขึ้นมาทางานเพื่อชาติมันกลายเป็นชาติไปฮั่นโกรธจนส้งหมดก็ขอทุกคนทูลถามองค์สมเด็จพระบรมจุติพุทธว่ากฏกติกามีท่านในคนไทยต้องลบากอย่างนี้อีกสักสี่ปีมันจะที่ไรไป ความยากลบากกัณีรีกอกขอประมาณ20กึง25ปี 20-25 ปี 20-25 ปีนี่ก็ไม่ไกลเป็นหมาดุสีนหน่อยนไหมเย้ะไอ้เรื่องเยอทายนี่มันเป็นดุสีแน่ประเทศไทยเป็นหมาดวสีก็ถูกขาว่าคลายมาทุกคนหมายถาึงเรื่องว่าคลายมาทุกคน 20-25 ปีนี่แนะ่อายตุต้นๆที่จะให้มันทรงเริ่มขายใสย่ความดีเ่ยมตัว ส5 ง, งสองสองพนห้าหร้อยยสองพั น, น, น, น, น, นห้าร้อยยี่สิบหเมน้ำมันเริ่มเแล้วน้มันริ่มเพิ่มไหมยัขึ้นกันทีไหขึ้นแล้วขึ้นแล้วสองพันห้าร้อยี่สิบกะทศไทยแล้วสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่กสยี่สิด้ จะเริ่มจะเริ่มหมลดลับเริ่มบมดหม่อ่ะสองพัหนห้าร้อยยี่สบสี่การปีผ่านไปลบมักการการเป็นเครื่อเริ่มกลายตัวอันนี้ยังมองไม่เห็นอะยังมองไม่เห้นว่าดีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าเออเรื่องฝังขาวบ้านเนี่ยไม่ยอมดูฝรังขาวบ้านมันมันใหม่อนนืมอะมมาน ขอซื้อน้ำมันฉันซื้นมันเลยถ้าขอซื้อน้ำมันมันม า, มาสำรวจด้ปี้เยอะค่แต่ของแร่าต่างๆมันลอกกใหญ่กว่านั้นไมเยอะค่ะตอนนี้เรามีแรด่ดีๆก็เยอะมีน้ำมันก็ดีมีแรก่ก็ดีมีไจ้ก็ดีมีทรายน้มันมีน้ำมันมันมีแร่ที่เป็นี่ยมที่ดีที่สุดในโลกปริมาณเขาโในโลกก็ทะเลาะกันใหญ่ อันนี้เราก็เริ่มหมายตัวดีทั้งแตนน่มันนะเรื่ดมดีต่างต่างท่านเี่ยคอยเข้ามาแล้วคุณผู้อนนี้ป็นกาสัญญานะปปนายถ้าจางสัญญาเนี่ยายถามเรื่องะต่างต่างแล้วคนทีมนุนทีี้ไฟปัจจุพลนงสัญญ์ไอ้ปัจจุปลังสญญานียานประจุนฟในปัจจุบันนี่เอาไปจะคนดีหมเนา ะ, นะ เออตอนนี้เลยอ้ยอพระราชาข อ, อาบจากเจ้ากรมมาเป็นปูนะเวลาได้ท่านปู่พระราชขึ้นไปด้วยเพื่อนไ้มาหาเลยเด็กเรื่องง่าใช่ไมเนได้บัญญิ้ง า, างหน้าถามว่าท่านไปหรือย่านย้งท่้นไปไหมท่านไปแล้วผมก็เพ้่ไป อัน ushima, นี้ถูกไปสดๆไปเลยตรงนเลอาจจะแบบตรงไเนี่ยท่านไปนิทานไร็วเลยนีเนี่ยท่านบรราชท่านจะไปแล้วท่านควรแล้วก่อนจตายท่านจะเรยนชนะธรรมะแล้วขึานไปสุดๆไปเป็นพรแล้วก็เมื่อเมื่อไรเลยนี้ท่านต้องไปพระบรมมีเกเออเรียกกระดูนฐานเลยทุกท่านคว ว่าที่เรือองไม่เสด็จปนิพพานไวรออยู่ในเวลานี้เพื่อเดียวอะไรพาาที่น่าจะไปได้นานแล้วของลูกหานไ่จะกลับนี่จะรว่าทงหมดที่ต้องเป็นปู่ย่าตายายเป็นญาติใหายทั้งหมดที่เราเชิญมาว่าใครที่เป็นพ่อเป็นแม่พมีตํลอันนี้ท่านหวงพวเราเป็พ่อใหญ่ยื่นให้คอยไอ้ถามว่าตาลารามันไม่ดี ไอ้การที่บรรลุบางผลแน่คอยกันมันมีแ่เราตอบรับมันไธรรมราคการปฏิบัติเองใชไอ้รรมาเขาไม่เขียนก็เลยโง่ตามไม่เขียนี้วยนี่คอยไปขอปฏิบัติเยงนี่เป็นเป็นปฏิบัติเรียกปจุบัติถ้าจฏิบัตลยาดไม่รู้ปจุบัติยาตัวนี้นะแล้ยาทุกท่า ก็นเล่ให้มันเชื่องวิธีเล่็นยานแปกเนี่ยยามเล่มันม่เชื่องแล้วมันจะเกินตอนนั้นมันก็มีคุณประโยชน์เห็นปัจจุบันมันดีเขาเรยกต่อไปหมดทางเจ๊งก็ไม่เอาคุไปนิทานห้าเดียวเห็นอะไรมันมีแล้วปิัวร์ปฏิาณพาเดียวแ้วไม่หลงไปใส่ข้าวิธีเล่ตั้งแล้วก็ตั้งสมบูณจับถ้าคิดตั้งถ้าว่าอะไรก็แล้วถ้าคิดตั้งคิดข้าอะไรตั้งใจดีัหมที่ถูกถูกกระดอนนึกถึงพระพุทธเจ้าหลงหลวงไปหน่อย เาบาๆาิได้ไปใหม่มมกับมิได้พราดโดยพาดเองนม่ใช่ะพระพิจารณ์เองเป็นเรื่องบาดใจไม่ถ้าถูกเปลงได้ทาไงแล้ววางกำลังใจแบบไหนที่ถูกเสลงเช่นเราตั้งนั่งนั่งอยู่ที่ใ้คนเดียวเล็งเพื่ออีกคนหนึ่งเจยวเวลาไว้ เ, เวลาเนี่ยเราไปถามว่าอาจจะพลาดเปล่งไปนิดห่อยตัว่าเอ๊เ่งคนนี้เวลานี้มาทาอะไร เรากินข้าวแล้วก็นอนหลับแล้วก็เชรื่องดนตรีฟังเพลงเต้นรำอะไรให้สดแบแล้วก็าว่าคำถามว่าเออเวลาไหนแกทาไรดูไอยจุดใหญ่ๆเขาตอบง่ายแต่ยุงใดที่เขาต้องปกปิดจะถามเขาเอารู้ได้จะไกถามเัาถามว่าดีเขาบอกง่ายๆว่าเขาบอกเขาเลัาทําไม่อายเขาไม่ไม่ปกปิดก้อตัวนี้เขาถนัดมันใช้กิจกรรมน่ารื่นเริง ตอนเยอะเท่าแม้จะจบไปแล้วจะทันใครเต็นเขายอมับเขายอมรักทายแต่ว่าเรื่อนี้เย็นแต่ว่จะไปเพ่งไปถ้าเราเล่นแบบนี้จะไปติดแบบนี้เราคิดว่านี่เราทำจ si no no no, ิตไม่ตรงตัวไม่คาดเคลื่อนสมาธิเปี่ยนตัวเราถ้าเราเอมันพลาดก็พลาดไปที่ถือว่าพลาดกพลาดไปเพราะแต่พราะอะไรถ้าไม่พลาดที่ไม่พลาดมิ่งท่านเดียวคือพวกเจ้าอารู้ประจลเลือก การหันที่ไม่พลาก็คือท่านไม่จิตใจหัาตัดโลภะได้จรตัดโทสะได้จรงับโมหะได้จริงเพื่อตัดอวิชาได้จริงตัดปิชาตัวเดียวได้จรแล้วก็ตัดได้สมหูรณตัวนี้พลาดไม่พลาแต่ถ้ารู้อย่างอื่นท่านชาติเหอคราจะขไม่ตะเล็จอันรู้ไม่ได้สิจริงอย่างพระมหาเจ้ศพถ้าถึงสระดาตู้คงต้องปลูกใส่บาตรต้นง่เลยใช่ไหม อ้ายังไม่รู้ฉันว่าคนแก่เนี่ยเป็นฉันทายาอถ้าถูรายชาติวิดาไปจับทหารจัดทหารที่สัางนังใช้นแข่งปอดปอดปอดทำให้ใช่ก็ยังไม่รู้ว่าเทวะาไหมอันนี้วชาการอาหารจะต้องรู้อะไรสักน่งอย่างอะไรหายุ่งเรื่องสี่ขั้นตัวพระเจ้าโตติวทพ่โร้ายทีเราเป็นันาปโตโกเราไม่ใช่เป็นฉันทายาแล้วเปีนกป็นฉ anyway, he ันทายาอยางพราบเราทำไมจะไม่า นี่มันพลาดฟังอะไรบ้างว่าช่งเราคือว่าจิตจริงๆเปิดแต่การรู้เรื่องของคนอื่นอย่าไปรู living, ้เรื่องสอบของมันนมันในเขาทําทําชั่วอย่าไปเชิงมองเรามองในรูปองขความดีอย่างเดียวแต่ว่าบางเอ่ยในเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาไปรักไปเมินของใครเรารู้แล้วก็ตัดทิ้งไปเลยมันเรื่องของเขาอย่าไปสนใจเขาเลยเพื่อไม่เชื่อไปกดกรรมของกฎทุกกรรมของเขาอันนี้ ราศึกษาเพื่อนลงต่อไปก็เป็นแย่ขาสมุตตายานยานตัวนี้ตัวที่มีความสัมพันทำให้เราศึกษุด้วยแย่ขาสมุตายานนี้หมายความว่าไอ้คนก็ดีสัตว์ก็ดีเนี่ยจะมีความสุขก็มีความทุกข์มันนี่ต้องมีความเป็นเหตุเป็นปัจจัยไอ้ปัจจัยนี้เราควรใส่อยากจะทดลอง ไอเหตุห น, นี้หมายควาว่าถ้าไม่เกิดเอื้อายสมุทยาเนี่ยต้องเล่นให้คล่องจริงๆเลยว่าใด้คล่องสีมันจะทำใใจสบายมากอย่างสมมติว่าเออเียย้อนไปเอากรณีลูกลมกถึงพนใเจ้าจะเกิดตัวยาจะแม่นะเล็กให้ช่วยตอบให้จงการสามไปจูอเ น, นเป็นคนไทยเนี่ย แล้วทำไมต้องเป็นในชีวิตอเมริกามันเพราะกรรมเดิมอะไรบันดากรรมกกเพย์นีวาเแล้ว่าบุญอะไรเปนบันดาลแกชนาวาดเนี่ยนือว่าจะต้องก็ต้องมีเป็นปเรรจจาานกเพย์ชนีวาแล้วก็ถามท่านท่านเป็นสมองที่เจ้าถามท่านม่ได้ตอบไม่ได้แต่หลวพอที่ายิ้มยิ้มตลอดถามแม่แต่ว่าไอ้ที่จะต้องย้อนกลับมาศึกษาธรรมฐาน แต่การมฐานนี้กรรมฐานที่หาได้มันนักมากแต่พวกเด็กการเดินสมาธิั้าเราก็กาคุยปัญญาไี่หนักที่คุมกอะไรทั้งหมดแล้วถ้เป็นรรฐานนี้ให้ผลมากแล้วก็รวดเร็วอีกหนึ่งเราสามารถทาได้เร็วใการที่สองทำให้โดนใจอยู่ไม่ได้ตรมาถูกคกถามแม่พระบุญอะไรก็ส่งคุณอเมซเพื่อจะได้เข้าปณิธาน เพราว่าเรมีันเต็มไงใช่ค่ะดูนแลวก็ต่อชยเาทอยู่ถต่ตอบย่สับภาษาการปลายมัถึงว่ารมีกันเ็มอยู่ไม่ได้มันต้องมาเพืความดีบรดาจริญบรรดามาเนี่ยจะีย่งนี้เรียกว่าความดีบังนะคบับให้มาใช่มใชคไอ้ก่อนทีในใ่จะม า, า, าเราียไทก็แนะนามันแเราก็ต้งส่หมดอดเลยค่ะต้งเละอาแฟนได้หรืไหนก่ อ, าาอนไปอเมริกาเมื่อ ถ้าปีที่แล้วมีเพื่อนให้ก็เข อ, อหวัวนั่นครับไอ้นี่ได้แค่อนัมสือนะใช่ครับแค่อนามสนะือย่างเดียวก็ต้องมีจิตใจสกขันญาจะมาปฏิบัตินี่คามจริงให้นคนแค่อนามสื้อถ้ายากจะปฏิบัติมันหายากอันดีก็ล่ามู้งู้กลางเังไม่เอาเคินแล้วเคิดอีกมันยังไม่ให้เอาใช่ อ, อ, อย่างท่านตอนตอนต้นท่านวสลิยู่็นนักทุสัมมาพุทธเจ้าท่านไม่สนใจแต่ว่าพอบารมีเต็นเข้ามาพระพุทธเจ้าก็ะทมหลงพ่อเทวราอันนี้การอ่านสือเร็่อเดียวแล้วก็ตั้งใจมาเจริญกรรมฐานถ้าบารมีไม่เต็มตรงนั้นก็ไมา อันนี้มันต้องเต็มจริงๆเต็มจนถ้าจนลดนสี่พราว่ามันทนไม่ไหวข้ามาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะต้องทนไหวยู่ไม่ได้ก็ปกเขาใอันนี้ต้องเป็นบารมีเต็มไม่รการหนึเราออกคนนอกประเทศไอ้นอกประเทศเนี่ยการบปนเราฝผลแบบนี้ก็มมมไม่มีมใช่ไหไม่มีจะหายากนะเ้าก็มีบมุญเมือนแบบของเขาไม่ใช่แบบของเราเพาเขเขาไม่มีดีเลยก็ไม่มีแต่เราคนลแบบปฏิปัก แอบจิตใจของเรากลับมาผูกมัดแอะลงดุขุนแบบนี้อันนี้ต้องเป็นบา ร, รมีเดิมๆนะเออแล้วก็าถามแม่ว่าในสมัยที่อยู่กับแม่เท้ามาแล้วแม่เขาทำอะไรอย่างรายการนั้นน่ะเขาเวลาที่เขาฟังเพศเขาชอบใจอะไรผมคิดว่าถอดหมดเสื้อ แ, แต่งตัแก่ไม่ถอเสื้อส้านะเสื้อผ้าเครื่องปรดับก็ถอดปิดกันเพศ แล้ใคก็ตีราคาแพงเลามสีทถ้าคนมาซื้อไปก็เงินสะโนนั่งบระโงสถ้าไม่มีคนซื้อใจเราซื้อเองบำรุงสไอ้ท่ายกนกกรในสมัยที่เราเป็นผู้หญิงก็ดีเนผู้ชายก็ดีเลยฟังเทศไชยนาเป็นคณะพระเจ้าก็ดีมั็นคณะพระราหูก็ดีแล้สุด ม, มากาเคยถอดเครื่องแต่งตัวมาเรื่องไร้เรื่องเพชรเรือร่องทองติดกันเคศนี้มั้ บ่อย้าค่ะบ่อยเช่นไยมีจ้ค่ะมีนะยวงอ่ะยำดวงแก่แกไรติดกับคนสาวแก่แก่อะไรโดยไม่รับเพอนแ่กไมีบ่อยๆไอการทาบุญหมดตัวเนี่ยทำมาดเฉพาะเองก็ทำบุญที่านี้ก็ทำด้วยได้แรนบุใหม่ๆทาบุญหมดตัวเสมอย่าได้ออกลเขาไว้ไกสองไกลเฮ้ยสุดท้ะสุดดูเขามาขอ เขาก็ให de uh, so ้เาไปแล้วก็ไม่ชื่อแล้วางีีเราก็โล่งเพาโล่งภพาคขาอ่ดีๆเราให้เขาใ้พาดขาดกต่คทยเขาคือไม้แย่ที่มันตายแค่นั้นไม่ดความหมายไม่ได้โทษทานเลยโทเราลืมมาน่ะกในด้านทานโดยตใช่ไหมทานเนี่ยเป็นตัวนาจริงๆใช่ไหพระเจ้าบอกแวระพระเจ้าเป็นจะเโปรดโปรดช่นยชวยเรโรก น่หนักพุทธาไอ้ตัวทานตัวเดียวเนี่ยมันจะพาไปพุทานได้ในทุไประเด็นของคถามอนถามว่าจาคะตัวเดียวนี้ไปพุทธานได้ัหมถาถามม า, อ ย, าอย่างไ ร, รูิทรงี่็นเช่นไรก็มอ้แต่แก่ขึ้นมาเองเสร็จารรยาคยถายาาถะถ้าแปลว่าเสถะลายกลาอยู่เขายังกระดับยาคะถ้าแปลว่าสลักเขายังมีเนื่อใหญ่อยู่บ้าง ต้องเอาคำว่าตัวสออารถ้าฆ่าเล่น ล, ละตัวเดียวกัผ่านแน่ถ้ากินไวเก่งขึ้นพระธรรมสวรรถ้าแปลวเชียอสละกยังเป็นบรารมี้นยังดึงไปที่ใดถ้าสละกไม่ใช่เป็นอุปรบรบารมีถ้าละกูให้แบบนี้คูไหวังผลตอบแทนกูต้องการอย่างเดียวความเบาข้าใจเพอาสนตัวนี้เนพระธรรมสวรรค์ครับ แล้วพวกเราที่มากันทั้งหมดนี้ก็มาด้วยทานบารมีมากพว่าถอวาทานรมีเป็นตัวนำตอนนี้เวลาเนี่ยยายลงพ่อเนี่ยไปกับเ้าก็ไม่ไวหวไปตรวจบนข้าวสมิงก็ไม่ไว้ไปตัดไม่เก็นไรมีทิ้วันถายลกนะูกว่าหงุดหงิดใชมอันนี้มีให้พ่อถ่ายเยอะนะยังไม่เยอะา <laughs> ลาหลวงพ่อพูดอย่างนี้หมายว่าลวงข้อเนี่ยยังมีกินมีใช่ไหมเจ้ากาือไม่ในเทศไม่ในกฎของเขาแต่ว่าก็มีคนมาให้เรื้วยอันนี้เป็นผล น, นุ่งพันทำไมนะเจ้าผลนุ่านเดิมถ้าผลนุ่นปัจจุบันด้วยถ้าปัจจุบันก็ทำถ้าเด็กๆไปเรียนเราซื้อถ้าเพื่อนไม่มีกินล้วก็ซื้อให้กิเลี้ยงเพื่อนตัวอดไปว่าแล้วเพื่อเด็กกินแล้วเพื่อหลับควาบ้านเรา แต่มามาเป็นแค่ว่าวตอนเป็นทหาร่ากเดอนเล่นมองหมดจะให้แม่สามสิบาทเงแปดสิบาทผมผมก็คไอ้ยายก็มีสิบบาทแ่สามสิบบาทเาทเ่า น, น, น, นั้นเอ ห, หนๆเอ้ยเรอยู่ในอีกสามสิบบาทก็ไม่ได้ให้นเดือมอะคนใหญ่ก็เลี้ยงคนน้อยมันทาดีแล้วต้องเลี้ยเมัเาจงเร า, าไม่จับตุ้จะรัแต่ไปไหนก็เพื่อนไม่ยอมพักสตังก่นเอ ดีเลยดีขึ้นอะไรตื่นขึ้นเร็วเลยคนนี้พแล้วันไม่ได้พักตลอดแต่ก็พักหนอแล้วมันก็ได้ถ้ารู้วาให้ทกรรมอยงนี้มาติดตามมาคือกรรมในอดีตด้วยกรรมในชาติตุบันด์ด้วยในเวลานี้แกร่างกายก็ไม่ดีม้าคืเขาไม่ได้แต่ก็มันก็ไปอตายก็ะถึงรถไฟอันนี้สงรถไกันให้ไม่ได้บงอ่าดูอะไร นั่งดูก็ไม่ไดสวยดจะเป็น น, นะนะอยู่เออคอห้ยคอนะอย่นี้าการเตนไม่มีโน่นอะไร น, น้ขาดโน่นอไรบวสวยนงผ้าขาดอะไรอชื่อเชื่อสวยสวยเป็นเด็กโรงเรียนไม่ฉัไม่คุกับการห้องน้ำโเรียนชื่อเสื่อนั้นเป็นมันนักสวยมาณผาอะไรต่าก็เลยเข้ใจก็เ ใจขาวเดียวเพื่อขอให้เดียวเห็นไะมสยเดียวเฮ้ยคนเนี้องเล่ก <laughs> ออกไปไอ้ตัวนั้นชอบใจจกิดใจมันเดินมองมาทั้งหลายวันไอ้ดาเลนอยากเสียคอจะได้มันบอกมันไม่มีตังค์สิดที่ไม่มเลมือนจะายไปแก่ไหมต้องสามบาทไี่ใช่ไนนะอได้งนั้นเอาที่มาตัวสามบาทนะเชื่อ น, นอกแพนตัวตังค์ตัวหบาทเองให้ตัวนั้น เคยทุกา อ, อะไรกร็เดินหายก็ไม่เกิดมันมีตัวเดียวเท่า น, นั้เป็นตัวียฉันเองไม่โทผ่านที่ร้านไ้เข ไ, ไปแล้วหาใหม่ก็ไม่ไดอ น, นีจะไม่พ่อผูแถ้พ่อรู้รถามเขาบอกใข้เลยแล้วถ้าพ่อเสียดายพุจะไปเอาคนมาทั้ดมดเพร่าเราห่จับาจูาาไปเราทามุนโซขาครับถ้ามันมีเองไปดูใหม่ถ้ามันมีป้ายชื้อสองตัวไม่เกิด ไมหยุดหรกหาไม่ได้เลยจุยจยำมาเดินสามสี่วันหา ไ, ไม่เจ็บเาถาว่าทำไมเขไม่เจ็บเขาเลยใส่ผ้าอะไรก็บอกก่นยการ้เหมือนกั น, มนหมดที่หน้าเรามาใ น, ในรายการนี้ม็หมดเวลาเลยที่พูดเนี่ยนปลว่ายานแปดราการแต่วันนี้ก็าักซ้อมกันเพื่ออานังเข้านใจให้ทุกคนมีฟังเข้าใจว่าการจุกบ น, นุงี้พี่เนืยสูงกว่ายานแปด ไม่ต้องพ ย, ย, ย, ยายามสร้างสาไปเสมอทิพย์พุญญาณเราได้แล้วคุณเห็นพระพุทธเจ้าใดเมื่อใดที่ผมได้แล้วดูตัวบาฟฟ่ายานสุรู้กายเกิดในการตายของนก่อนเกิดข้ามาจากไหนมันมีคนชื่อคนตายพักรู้เลยลเเลยต่ทําจะรู้อยู่ถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าจะถามกยากเรานั่งอยู่ข้างหน้าท่านถ้าเชิ่นแม่มาถามแม่เราถามท่านท่านตอบแล้วเราก็รับฟังได้ อะไรจะถามท่านหาท่านขี่ไปที <kann clears throat> or, ่แม <im> uh, <im uss ion> ่ประ้งถามแม่ขี่ไปหลายข้อที่ฉาบแง่การท่านขีเพราะว่าสีเาเวลาไม่มาชี้มีผ่านมา้องอเป็นผานแล้วก็เจโตปียรยานนี่สำคัญไล่เรื่อยิดของเาเอกจะดูกายดีกว่าจะไปดูดวงจิตเลยนี่ดูกายครับให้มันป่องใสดูภาพทนุมีผ่านดีไงเวลานั้นดวงจิตเาาะจับจะทราบว่าที่ไปกายมันใสแจ้ เหมือนพราหานใสายถ้ามันใสในของตัดชั้นห้าร่างกายระยำคุณไม่เอาหมืนกัเลิกมันละโลกมันท้โล ก, กคุณไม่เอาเลยโลกตัวาดาล้วเคยเป็นทรองเคยเึ็นแม่ก็ต้องใส่ก้นั้นลันจิตสะอาดจิตสะอาใใดภาพกนยจะใสเฉีงสวยเป็นภาพุทัอยากให้มัาทรงเกือปกเาาริวาสันปุญญาขึ้นก่อ ท็กบัวน<ร>้อยข้ nothing, charger, าต่างๆเป็นปัจจาระเป็นเศษอุเบกขาติการเป็นคนอีเดอราไม่มีความหมายถ้าถนึงต่างมีความหมายตายและแบกไปไม่ได้ลงมาจะไปฝันไปเนี่ยยาในนาดิทนาทศกิร <re S 2> ิพันต์ม่จําคัญยักษากมูตาย่านแตว่ายาในนาดิทานาเพกาะทีสาคัญยุดถ้าไปถึงจุดไหนไปถึงภูเขไทย ตัวอะไรมาทั้งหมดสมไมก่อนตียังไงดูภาพเลยเลยนะนี่กิลาแรงยังเป็นอย่างนี้ยังทางได้แต่ใครละว่าทำไ ม, มจะไม่ทำใร่างกายนี้ก็ม่มมหมายตามขันใจตาม น, นี้นะแด้รับทุกคนยังไม่ไนตอนนี้ไปเพรทุกคนอาองพระเดชพระจุฬมาลรดกธรรมดาสมานชั้นประจัก พอเพื่อุนใจของเรมีออเพื่อนจะต้องมีเพราะว่าเจ่าช่วยใ enfin ห้ขาเจ้าทุกคนเข้าถึงนิพานธาตุไปให้ขึ้นชื่อว่าทุกคนจะนาใดๆไม่ต้องโนรใจให้ตาจับเป็นสายดวงยัมมีเวลาที่พระพุทเจ้าจะนิา